นั่นเป็นคํำบอกเล่านั้นแหลผู้เรียนก็กลายเป็นคําบอกเล่าไปไม่ถึงใจเหมือนเราปฏิบัติและรู้เห็นขึ้นมาภายในใจิตใจของเราเองนี่ไม่ใช่ภาคจดจมไม่ใช่การบอกเล่าแต่เป็นสิ่งที่รู้จริงๆเห็นจริงๆไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรม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 เพียงห้าเปอร์เซนเท่านั้นที่แตกจากที่กล่าวมานี้เช่นสงบรวมพับลงไปทีเดียวถึงจุดแห่งความสงบเลยนั่นเป็นประเภทหนึ่งแต่มีน้อยมากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เก้าสิบห้าเปอร์เซนตมักจะค่อยสงบเข้าเข้าไปดังที่กล่าวนี้มีเมื่อจิตสงบเย็นลงไปเป็นจุดที่เด่นชัด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 เมื่อหิวอ่อนเพียก็เข้าพักสมาธิเสียไม่ต้องทำงานไม่ต้องคิดต้องปรุงเรื่องอะไรทั้งนั้นให้อยู่ด้วยความสงบเมื่อใจได้รับความสงบแล้วย่อมมีกำลังควรแก่ทางด้านปัญญาต่อไปอีกแล้วก้าวออกสู่ปัญญาไปโดยลาดับลาดานี่ก็เห็นชัดผู้ปฏิบัติจะไม่เห็นชัดได้อย่างไรก็ชันทิฏิโกท่านว่าปริยัตก็ศึกษามา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 กันไปแก้กันไปถอนกันไปฆ่ากันไปเลือ่อยๆเลือเล่อยๆนี่เห็นได้ชัดเจนอย่างนี้จนกระทั่งถึง ป, ปัญญาที่ว่าเป็นธรรมจักนี่ก็รู้ได้ชัดเราจะไปหาตามตำลับตำนาเราจะได้แต่ชื่อเท่านั้นนะท่านจะไม่อธิบายแยกแยะไว้อย่างละเอียดละออเหมือนความเป็นอยู่ความเป็นขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติทั้งหลายอันนั้นพนันนาไม่ได้เลยพิสดารมากจริงๆ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 นากสวรรค์นี่พ่านทางกิเลสทั้งธรรมมีอยู่ในหัวใจดวงนี้หัวใจตรงนี้จะเป็นผู้รู้เห็นมันก็รู้เห็นไม่ได้เพราะถูกปิดบงังเอามันถึงเหตุถึงผลสิมันต้องรู้ทำไมจะไม่รู้อืกนี่เราพูดถึง เ, งเรื่องเรื่องสิ่งที่ที่เป็นที่รู้มาปิดไม่อยู่คือหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติเนี่ยเอาปฏิบัติลงไปสิ่งไม่เคยรู้รู้สิ่งไม่เคยเห็นเห็น